ชื่อว่าวาทะเพราะเป็นเหตุกล่าวในบัตรนี้ชื่อว่าอุปาทานเพราะเป็นเหตุยึดมั่นลักษณะของคําว่าอุปาทานนางนี้มีความหมายว่าสภาพที่ยิ่งใหญ่ภายในสัตว์เหล่าหนึ่งเหล่าหนึ่งเนี่ยนะที่บุคคลยึดมั่นด้วยความคิดความฆาดชะเนอย่างนี้เรียกว่าอัตตาทําไมจึงเรียกว่าอัตตาเพราะเป็นสิ่งที่มหาชนในโลกรู้จักกันว่าสัตว์บุคคลแล้วก็ชีวะบางแห่งเรียกดาถาคตะหรือว่าโรคเนี่ย โลกทั้งหลายนี่เดรัยถย์ทั้งหลายก็สมมุติกันว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างขึ้นเนียในกลุ่มบุคคลภายนอกจะมีความถามว่าเครื่องยึดมั่นเนี่ยกล่าวคือยึดยึดมั่นอะไรก็บอกว่ายึดมั่นอัตตาคืออัตามันนี่เนี่ยความยึดมั่นวาทะว่าตนชื่อว่าอัตวาทุปาทานยึดมั่นวาทะของตนแท้จริงท่านเนี่ยจะยึดมั่นคืออัตตาอัตตา น, นั่นเองเออถ้าหากในกลุ่มของบุคคลที่มีความยึดมั่นวา่า กลุ่มของในลักษณะเครื่องยึดมั่นที่ทําให้เราสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเข้าถึงอัตตาเป็นพิเศษเขาเรียกอัตวาทุปาทานคําว่าอัตวาทุปาทานนี้เป็นสักยทิถียี่ 20, อยึดมั่นยี่สิยึดมั่นยังไงยึดมั่นโดยอาศัยรูปขันท์สี่อย่างเวทนาขันธ์สี่อย่างสัญญาขันธ์สี่อย่างสัญญาขันธ์อีกสอย่างวิญญาณขันธ์อีกสี่อย่างรวมเป็นสักยทิฐิในยี่สิบอย่างนี่ อย่างเช่นเขามีความเห็นว่ารูปเป็นเราเราเป็นรูปมีความเห็นว่าเรามีรูปหรือมีความเห็นว่าเราอยู่ในรูปหรือรูปอยู่ในเราเนี่ยใช่ไหมอย่างรูปอย่างเดียวก็สามารถไะยึดมั่นได้ทั้งสี่อย่างใช่ไหมไปเห็นว่ารูปเป็นเราเราเป็นรูปหรือมีความเห็นประการสองก็คือเรามีรูปประการที่สามก็คือว่ารูปอยู่ในเราหรือว่าเราอยู่ในรูปอย่างนี้ลักษณะนี้สอย่าง เวทนาก็สี่สัญญาก็สี่สังขารก็สี่วิญญาณก็สี่ถ้าดูในยะนั้นนะคําว่ายึดมั่นในมีความหมายว่ายึดมั่นเหนียวแน่นนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าในบรรดาทิฏฐิเหล่านั้นสักกายะสักกายทิฏฐิคืออะไรปุถุชนผู้ไม่มีการสดับในโลกนี้ไม่มีการสดับคือไม่ได้สดับอะไรไม่ได้ฟังพระสัทธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ไม่เห็น ภริยะย่อมเห็นรูปว่าเป็นอัตตาบ้างเห็นอัตตามีอยู่ในรูปบ้างเห็นรูปในอัตตาเห็นอัตตาอยู่ในรูปบ้างย่อมเห็นว่าเวทนาเป็นอัตตาเห็นอัตตามีเวทนาเวทนาเห็นเวทนาในอัตตาเห็นอัตตาในเวทนาแม้ในสัญญาสังขารวิญญาณก็ในยะเดียวกันพุทธพจน์ที่บอกว่าเห็นรูปว่าเป็นอัตตาหมายความว่าย่อมยึดมั่น ยึดมั่นในอะไรยึดมั่นรูปนั่นแหละว่าเป็นอัตตาหรือเห็นอัตตามีรูปหมายความว่าย่อมยึดมั่นอัตตาของเราว่าเป็นรูปหรือเห็นรูปในอัตตาเห็นอัตตาอยู่ในรูปเป็นต้นเนี่ยนะเออถ้าพิจารณาอย่างใดบอกว่าพิจารณาในลักษณะอย่างนี้เช่นในกลุ่มของยึดมั่นรูปเนี่ยวันนี้เราตัวหนะักก็วันนี้ตัวเราวันนี้วันนี้เราในตัวนะหนักหรือตัวเราเบาเนี่ย วันนี้ตัวเราหนักหรือตัวเราเบาเคยเป็นไหมบอกเออวันนี้ตัวเราหนักนะวันนี้ตัวเราเบาเอ๊ะรู้สึกตัวเราหนักและตัวเราเบาเป็นบอ่อยใช่ไหมความรู้สึกอย่างเนี้ยความรู้สึกเช่นนี้ชื่อว่าเห็นรูปคือเห็นปฐวีธาตว่าเป็นอัตตาเห็นปฐวีธาตเห็นธาตุดินเพราะจริงๆที่หนักนั้นคืออะไรหนักธาตุดนานาินนะหนักไม่ใช่เราหนัก ต่อไปต้องไปเห็นว่าไงโอป้ปฐวีธาตินหนักกูนะปฐวีธาตินหนักถ้าเห็นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไม่ได้เห็นอะไรไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นในความเป็นอัตตารหรือสักยะทิฐิไม่เกิดหรือถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งสภาวะธรรมอื่นอัตตาที่พ้นจากสภาวะธรรมว่าวันนี้นะวันนี้กายของเราหนักวันนี้กายของเราเบาชื่อว่าเห็นอัตตาว่าเป็นปฐวีธาต์กายของเราหนักกายของเราเบา ถ้าตัวของเราหนักตัวของเราเบาเนี่เห็นอัตตาแล้วใช่มเห็นอัตตาถ้ากายของเราหนัก<__>กายของเราเบาไอความรู้สึกที่เข้าไปเห็นอย่างนั้นนะวันนี้ความหนักเกิดในตัวเราหรือความเบาเกิดขึ้นในตัวเราเนี่ชื่อว่าเห็นปฐวีาธาตุในอัตตาเมื่อพูดว่าวันนี้เราตั้งอยู่ในความหนักเราตั้งอยู่ในความเบาชื่อว่าเห็นอัตตาอยู่ในปฐวีาธาตุนี่คือความเป็นไปของสักกายทิฏฐิ ที่เวียนมาสี่รอบในปฐวีธาตุก็ไปแจกแจงแยกแยะพิจารณาอย่างเงี้ยเห็นยากเหมือนกันนะยากไม่ยา ก, ายากโอ้ยคิดไปคิดมารู้สึกปวดหัวบอกงี้เลยทําไม ห, หนักอย่างนี้แล้วคิดดูไม่ค่อยง่ายเหนวิถีจิตเลยบอกงี้ที่ไหนได้พอตรึกพิจารณาไปจริ ง, รงๆขนาดของหยาบยังยากฝันนี้ยำตุ้ยเคยเป็นเอ้ยยำตุ๋ยเคยเป็นบ่อยไหมวันนี้ตัวเราหนักตัวเราเบานี่ดีไปเห็นปฐวีธาตุเาารเาเป็นอาาัตตาเป็นปฐวีธาตุเป็นอัตตา แต่โดยตรุปง่ายๆก็เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะเอาอย่างคนเข้าใจอะไรง่ายๆทีนี้ถามว่าวิปัสสนาเท่านั้นแนหะที่จะเป็นปัจจัยในการที่จะละแต่ทางกาปาัจจัยชั่วขณะหนึ่งหนึ่งในขณะที่ปฏิบัติที่รู้ว่าไม่มีตัวเราของเราคือเห็นเินเพียงรูปแปละนามเป็นต้นอย่างเงี้ย น, นะถ้าสามารถแยกแยะได้ในขณะนั้นชื่อว่าในขณะนั้นเพิกสกายะทิฏฐิได้ชั่วขณะหนึ่งหนึ่งเลย หยุดเพิกหยุดพิจารณาเมื่ อ, อไรสักยทิฏฐิก็เข้าครอบงำตามเดิมปุถุชนเป็นอย่างนี้แล้วมันเหมือนอะไรเอาก้อนหินโยนลงในน้ําที่มีจอกเหนมีสไลายแต่สําคัญว่าวันนึ่งไม่โยนเลยบางวันนะโยนทุกวันโยนบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆถ้าไม่โยน บ, ายนบายนยน้างเลยนี่ลาบากก็เกินโยนปุ๊กมีค้างเลยเนี่ยไม่ยอมแบกเลยหนามาก หนาขนาดไหนถามว่าหนาขนาดไหนหนาถึงขนาดฟังว่าทำไม่ออกเลยไม่รู้เรื่องเลยฟังไปฟังมาไม่รู้ว่าพระพูดอะไรพระที่พูดก็ไม่รู้ว่าตนเองพูดอะไรเลยทั้งคู่เลยเดี๋ยนี้ย <c oughs> ไม่รู้เรื่องหมดเลยเสียหายมากนะสักคายาที่ถีมีวัตถุยี่สิบเนี่ย เป็นข้อความในสังเกตในอัตวารุปาทานเนี่ยส่วนพิศดานั้นเพิงทราบในในที่ตรัสไว้บรรดาอุปาทานอุปาทานเป็นชไหนเป็นต้นนะนะบุตรชนในศาสนานี้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระรยาเจ้าเนี่ยไม่ได้เห็นพระรยาเจ้าน่าเป็นห่วงนะไม่ได้สดับและไม่เห็นพระริยาเจ้าคือไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยจะเสียหายสักขนาดไหนบางทีท่านในพิจารณาอย่างนี้ก็ได้นะที่ถามว่า มีความเห็นว่ารูปเป็นเราเราเป็นรูปคือเขาเข้าใจว่าร่างกายกับร่างกายเป็นอันเดียวกันกับกับสิ่งที่อย so, like ่างเปลวไฟกับแสงไฟเนี่ยไปเข้าใจว่าเรากับร่างกายเนี่ยเป็นอันเดียวกันเรากับร่างกายเนี่ยเป็นอันเดียวกันเปลวไฟกับแสงไฟไปเข้าใจอย่างนั้นเยหรือมีความเห็นว่าเรามีรูปเนี่ยเข้าใจว่าเรากับร่างกายนั้นเน่นะเป็นคนละอันเรานะมีรูปเหมือนอะไร ต้นไม้กับเงาของต้นไม้ไปเข้าใจว๊าเป็นอันเดียวกันมั่งเลยนะแท้จริงอนะต้นไม้กับเงานี่ยเป็นโคนละอันกันแต่เพราะอาศัยกันนั่นเองทีนี้เราเป็นมีความเห็นบอกว่ารูปอยู่ในเราแหละเราเรากับร่างกายเป็นโคนละอันกลิ่นดอกไม้มีอยู่ในดอกไม้กลิ่นดอกไม้มีอยู่ในดอกไม้โคนละอันไหมเดี๋ยวต้องให้เดี๋ยวต้องให้ยองสรีไปดูไอ เข้าไป เ, เข้าไปอะไรเนะยเข้าไปดูไอ้เสียงะระฆังให้ไปมองหาเนะี่ยห้ามตี <c oughs> ให้ไปมองหาเสียงะระฆังมีความเห็นว่าเราอยู่ในรูปมีความเข้าใจว่าเรากับร่างกายเป็นคนละอันเหมือนหนึ่งแก้วมั น, นีมีอยู่ในหีบฉะนั้นคือไปเข้าใจวันคนละอันกันแท้จริงถ้ากลุ่มบุคคลที่ศึกษามาดีในทิศทีนี่นเป็นขันอะไรเป็นสังขารละขันตัวทิศทีเป็นสังขารละขั น, น, ขขนใช่ไหม ที่เราไปยึดว่าปะทวัววดินน้ำไฟลมไปยึดว่าผมขนเล็บฟันน่ะแท้จริงเป็นรู ป, ปรขันมองเห็นเลยใช่ไหมตอนนี้นะสังขารละขันกับรู ป, ปรขันทิฏฐินี่เองที่เข้าไปยึดมั่นรูปไปยึดมั่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแล้วกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้เห็นพระริยเจ้าไม่ได้สดับไม่ได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เลยไปเข้าใจ โดยการคิดเบาบ้างคาดคณีเอาเองบ้างไงเนี่ยพอไปพิจารณาเองอย่างนั้นเบ็ดเสร็จก็เลยไปเข้าใจว่าโอ้เนี่ยเรากับความคิดเนี่ยเป็นคนละอันร่างกายกับความคิดนี่เป็นคนละอันบางทีก็บอกไอ้เราคือความคิดเนี่ยไปแทรกอยู่ตามนั้นนหะแทรกอยู่ในผมแทรกอยู่ในขนในเล็บในฟันในหนังนั่นแหละอะไรเงี้ยไปเข้าใจอย่างนั้นฉะนั้นเวลาคนตายบางคนก็เลยมีโอมีอัตตานี่ออกไปด้วยนะตัวนะี้เนี่ย อัตตก็ลอยออกไปนั้นเวลาจะค่ายตายก็ไม่ยอมตายล้อว่างั้นเลยไปอยู่ลอยไปตามพกภูมิต่างๆบางคนเน่ยดูภาพยนตร์ในยุคปัจจุบันก็บอ่ตายพวกก็มีคนอีกคนหนึ่งลุกว่าไปมีร่างอีกร่างหนึ่งไปก็อย่างงั้นแล้วเี้เห็ น, หนไหมเก็เห็นยังอย่เห็นบางทีลอยออกเป็นดวงพอีกเสียหายเลยนะี้อัตตามีคําว่าปรมาถตาอัตตากะชีวะอัตตาเนะียปรมาถ้าอัตตาเนี่ย อย่างยกตัวอย่างเช่นความยึดมั่นวอัตตานี้สามารถจะสร้างโลกขึ้นได้ในบรรดาสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในโลกทุกวันนี้นะก็ล้วนแต่เกิดมาด้วยอำนาจของอัตตาทั้งสิ้นความยึดมั่นในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกปรมาอัตตาส่วนชีวะอัตตานเนี่ยหมายความว่าสัตว์ทั้งหลายอยู่ในโลกนี้มีตัวมีตนคือ ม, ม, มีชีวิตรักษาอยู่ความยึดมั่นเช่นนี้ชื่อว่าชีวะอัตตา ทีนี้ถามว่าปรมาอัตตนี่เป็นยังไงปรมอัตตาคือในกลุ่มของบุคคลที่เขาสร้างโลกถ้าไปศึกษาในพรหมชาลาสูตรนี่ชัดเลยจะเป็ น, นเขาออกแต่ก่อนโลกถูกทำลายนะยอมเถิโลกนี้ถูกทำลายได้ดินได้ด้วยน้ามึงได้ลมมึงได้ไฟบางเป็นต้นใช่ไหมพอถูกทำลายหายหเกลี้ยงไป อยู่ต่อมาโลกปรากฏขึ้นมาด้วยตามสภาพอย่นะีเมื่อโลกปรากฏขึ้นมาเบเ็ดเสร็จแล้วก็ไม่มีสัตว์อะไรอาศัยอยู่เล ย, เยต่อมานะพรหมในพรหมมลโลกในชั้นที่ไม่มีสัตว์ทั้งหลายไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้ถูกทําลายสัตว์เหล่านั้นก็มาอาศัยอยู่อพอมาเบเ็ดเสร็จแล้วต่อมาตนเองนั้นก็คือประเภทที่ใกล้จะหมดบุญในะลงมาและต่อมาก็มาเกิดตัณหาราคาในที่สุดจริงก็หมดบุญพราะหมดบุญมาอยู่ในแต่ตนเองระลึกชาติดา เมื่อระลึกชาติได้ก็เลยบอกว่าระลึกได้ว่าเออตอนเองเกิดมายัางไงอ๋อมีผู้สร้างนะอ๋อมีผู้สร้างตนเองเกิดขึ้นมานี่ใครนาะเท้ามหาพรหมใช่ไหอ๋อท้ามหาพรหมเนี่เป็นผู้ที่สร้างตนเองนี่เองทําไมลนะ่ะบางทีตนเองเวลาทําบุญทํำแรงต่างก็สรรเสริญเท้ามหาพรหมอยู่ไปไมาบางทีก็ปฏิบัติทำฌานทําอะไรไปตายไปเกิดนี่แต่เออท้ามหาพรหมเที่ยงแท้แน่นอ น, น, อ น, นก็บก่าโอ้เนี่ยบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงนะอัตตาอัตมัน ของข้าวพเจ้าที่อุบัติเกิดขึ้นมาได้เพราะมีผู้สร้างผู้เนรมิตขึ้นมากรมอ น, นี้มีมาตั้งแต่สมัยโลกใบนี้ปรากฏขึ้นใหม่ๆอย่าแปลกใจนะนี่เขาเรียกประมะอัตตามีเป็นอย่างนี้นะไปดูได้ในพมัชาและสูตรในรายละเอียดนะแต่ตรงนี้จะไม่ขยายในลักษณะเช่นนั้นแต่รู้ว่าสักยทิฐินั้นน่ะานตันหาสมุทยานั้นเป็นปัจจัยแก่กามุปาทานด้วยอุปนิสยปัจจัย หรือโดยอนันตรัปัจจัยสำนันตรัสปัจไชนทิอาเซโนะแต่เป็นปัจจัยของอุปาทานที่เหลือคือแม้โดยเป็นแี้เป็นสาชาติปัจัยบ้างเป็นในลักษณะเช่นนั้นทิฏฐิกัตัิหาเกิดพร้อมกันไหมอยู่ในโลภะไหมทิฏฐิอยู่ในโลภะใช่ไหมโลภะเกิดทิฏฐิเกิดทิฏฐิเกิดโลภะก็เกิดแต่ว่าโลภะที่เกิดขึ้นยังไม่เข้าถึงขั้นอุปาทานก็มี คือไม่เป็นโลภะที่มาเกิดขึ้นมาเพื่อจะยึดมัน่นที่เขาก็อุปมาเหมือน เ, อเหมือนการจับไว้มัน่นกับการจับแบบไม่มัน่นของบางอย่างเราอยากได้ก็ไม่ได้อยากได้ในการที่จะยึดมัน่นอะไรเนี่ยถ้าหากในบางส่วนท่านอุปมาเหมือนเหมือนงูเลยเนะเหมือนกับงูในการที่จะออกไปหากินแล้วก็เพื่อไปเจอกบหรือเขียดในขณะที่ความอยากความต้องการเกิดขึ้นในขณะนั้นเป็นปัญหากัดข้างแรกยังเป็นตัญหาอยู่เลย แต่เมื่อกัดมาแล้วเนี่ยก็ลัตไม่ยอมปล่อยจะยึดมั่นในลักษณะเช่นนั้นเป็นอุปาทานงั้นสภาพของอุปาทานจะยึดมั่นตันหาคือความทยานอยากรู้ชัดอุปาทานเหตุเกิดของอุปาทานกล่าวคือตันหารู้ชัดข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับแห่งอุปาทานอย่างนั้นคือว่ารู้จักอุปาทานอุปาทานสมุทัยอุปาทานนิโรธอุปาทานนิโรธาคาไมนีปัิปฏิปทา ถ้าอริยะสาวกรู้ชัดอย่างนี้มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเมื่อไใสในท่ทาให้คลอนเคลนมาสู่พระสัทวธรรมนี้ก็สามารถที่จะพ้นจากกองทุกได้ประการต่อมานภิกษุเหล่านั้นก็ได้กราบเรียนถามบอกว่ายังมีข้อปริบัติ หรือยังมีเหตุปริยาอย่างอื่นอีกหรือไม่ที่จะทําให้อริยาสาวกเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเรื่อมใสไม่คลอนแคลนมาสู่พระสัจธรรมนี้ท่านภาษารีบุตรก็บอกว่าก็ต่อบอกยังมีอยู่อวุโสแล้วก็ได้กล่าวว่าอาวุโสด้วยเหตุที่อริยาสาวกรู้ชัดตันหาเหตุเกิดตันหาความดับตันหารู้ชัดข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับตันหาเหตุเพียงเท่านี้แหละคุณอริยาสาวก เป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสไม่ครอนแคลนมาสู่พระสัจธรรมนี้ตัณหาคืออะไรเราคูณเหตุให้เกิดตัณหาความดับตัณหาข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับตัณหาคืออะไรตอบว่าคูณตัณหามีหกหหมู่หรือหกหมวดนั่นเองคือรูปประตันหาความทยานอยากในรูปสัทธาตัณหาความทยานอยากในเสียงคันทะตัณหาความทยานอยากในกลิ่นราษฎรตัณหาความทยานอยาก ทยานยากในรถโพธภะตัณหาความทยานอยากในโพธภะธรรมตัณหาความทยานอยากในธรรมเพราะเวทนาเกิดตัณหาจึงเกิดเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับอริยมรรคมีองค์แปดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวาจาสัมมากรรมันตสัมมาอาชีวสัมมาวายมะสมาสติสัมมาสมาธิคุณในการใดและเอยสาวกรู้ชัดอย่างนี้รู้ชัดอะไร รู้ชัดตันหาเหตุเกิดตันหาความดับตันหารู้ชัดข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับแห่งตันหาเมื่อรู้ชัดปฏิบัติข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับแห่งตันหาเมื่อนั้นเธอก็จะละราคานุสัยบรรเทาปฏิการหนูใสถอนทิฏฐิมานะว่าเรามีได้ละวิชาได้โดยประการทั้งปวงอย่างวิชายเกิดขึ้นแล้วเป็นผู้กระทําที่สุดแห่งทุกได้ในปัจจุบันทีเดียว แม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้และคูณนริยาสาวกชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเรื่อมใสในธรรมไม่ครอนแครนได้มาสู่พระสัตว์ธรรมนี้เนี่ยเออดูไปไปดูตัญหาในหน้าที่ห้า้อาคาถาพรรณาในตัญหาวาละเนี่ยศึกษาตัญหาให้ดีนะึ่งว่าสภาพของตัญหานั้นเป็นยังไงเมื่อสักครู่ใช้คาว่ารูปประตันหาหความยินดีติดใจในรูปใช่ไม สัตตถตันหาความยินดีติดใจในเสียงรัศตตันหาความยินดีติดใจในรถโพธภาตันหาความยินดีติดใจในโพธพาธรรมตันหาความยินดีติดใจในธรรมนั้นสภาพของตันหาเนี่ยเพราะเวทนาเกิดตันหาจึงเกิดเวทนาดับตันหาก็ดับอริยมรรคมีองค์8ดนั้นเป็นข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับแห่งตันหาทีนี้มืพูดว่าตันหาที่เป็นไปแล้วในชวนาวิถีเนี่ท่านยกวิถีขึ้นมาอลไรทีนี้ บอตัณหาที่เป็นไปแล้วในชาวนาวิถีบอกชาวนาวิถีไหนในโลภะชาวนาวิถีปฏิสันเทั้งแรกเนี่ยตัณหาเกิดไหมเกิดเ้าเรียกว่าภาวะนิการตาโลภะชาวนาวิถีใครบ้างเนอะเกิดข้งแรกตัณหาเกิดบอกหมดเลยสัตว์ทั้งหลายยังงต้องเวียนว่ายตายเกิดนะตั้งแต่พผ้านาคามีบุคคลลงมานี้ปุตุชนยันพผ้านาคาไล่ไปตามลําดับเถอะปกอบายยักว์เกิดขึ้นข้งแรกตัณหาเกิดก่อนไมบอกตัณหาเกิดก่อน วิธีที่จะเกิดก่อนเขาเลยพวกอบายอสสัตว์ใช่ไหมพวกเปรตอสุรกายสาาัตว์เดือดฉานสัตว์นรกเกิดครั้งแรกบอกตันหาเกิดก่อนแล้ววิธีแรกอะอะไรทําไมตันหายังเกิดบอกมีความยินดีพอใจในการเกิดยินดีพอใจในพบยินดีทันทีนะเอาร้อนขนาดนั้นยังยินดีแล้วยังไม่ทันรู้ตัวพอยินดีแล้วแล้วก็ร้องต่อไปแล้วก็ถ้าหากมนุษย์เทวดาหรืออย่างภาณาคามีบุคคลทั้งหลายเนี่ย โลพาโชนาวิถีเกิดเลยเจอครั้งแรกแต่ของท่านเป็นอะไรโลพาวิปยุทธ์นั้นเขาเรียกว่าเป็นไปในโชวนวิถีมีชื่อตามอารมณ์ที่คล้ายกันกับบิดาผู้ให้เกิดมีชื่อตามอารมณ์ตามอารมณ์ที่คล้ายกับบิดาที่ให้เกิดดวงนี้รูปปตัตนหาสัทธตันหาคันธาลสารโพธพตัฒหาลัธรรมอัตนหาเหมือนกับคนที่มีชื่อตามบิดาในคําทั้งหลายเศรษฐีบุตรพามาบุตร บุตรของเศรษฐีบุตรของพราหมณ์มีชื่อตามไหมตันหานี่มีชื่อตามรูปใช่ไมพอไปยินดีในรูปเรียกว่ารูปประตันหามีชื่อตามนั้นเลยเรียกตันหาตามสิ่งนั้นไปแท้จริงตันหานั้นน่ะเขาไม่ใช่เป็นรูปนะแต่พอไปยินดีพอใจในรูปเลยเรียกรูปประตันหายินตันหายินดีพอใจในบ้านและเรียกว่าเลย เรียกว่างไงเรียกว่ารูปตัณหาเลยมีไหมที่วัตถุอะไรเอาวัตถุชิ้นไหนบ้างที่ตัณหาไม่เคยไปเพาะเชื้อไว้บางคนอบอกสิ่งสิ่งนี้ไม่เคยเกิดตัณหาเลยไม่พอใจแต่ขนาดไม่พอใจตรงนั้นยังไปพอใจสิ่งอื่นขนาดไม่พอใจเนี่ยไม่พอใจในทุกแต่ยังไปยินดีในสุขซะเลนี่เป็นอย่างนี้ในเรื่องตัณหานี่ในตัณหาวาระนี้ตัณหามีสามประการอย่างนี้คือตัณหามีรูปเป็นอารมณ์ คือปัญหาในรูปเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ารูปปัญหารูปปัญหานั้นเมื่อยินดียินดีเป็นไปด้วยความด้วยอะไรด้วยการบราคะการบราคานะในชื่อว่ากามตัญหาถ้าพูดถึงในเรื่องของตัญหาเนี่ยสภาพไอตัวตัวสภาพที่เข้าไปยินดีพอใจเนี่ยนะถ้าพิจารณาเห็นเห็นลักษณะของตัวสภาพของตัญหาที่ไปยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นเนีสภาพเหล่านี้นี่แหละเขาเรียกว่าเป็น สภาพของการมาราคะนี้เมื่อยินดีรูปเป็นไปอย่างนี้รูปเที่ยงยึดมั่นให้ติดต่อกันไปด้วยความเป็นราคะที่เกิดร่วมกับสัตสตาทิฏฐิเรียกว่าภาวะตัณหาชัดเจนตรงนี้ไหมนะยินดีในรูปนั้นด้วยว่าสิ่งสิ่งนี้เที่ยงก็เลยไปยินดีพอใจตรงนั้นด้วยอย่างนี้เขาเรียกภาวะตัณหาเช่นว่า ถ้าเราได้สิ่งถึงนี้มาแล้วสิ่งเหล่านี้จะอยู่กับเรานิรันการทาวรตลอดไปยินดีในเพชรสักเม็ดหนึ่งพว เ, เพชรเม็ดนี้เป็นของที่ไม่แตกสลายเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเป็นภาวะไหมเป็นวาตนาแท้จริงท่านพูดถึงในเรื่องของพบด้วยเนะี่ยพบบางพบถ้าไปเกิดอยู่แล้วโว้ยมั่นคงมากแต่แท้จริงเนี่ยนะถ้าความยินดีเกิดขึ้นพร้อมกันกันกบการเห็นว่าเที่ยง เห็นว่าเที่ยงเห็นว่าเที่ยงแท้แน่นอนและมั่นคงในลักษณะอย่างนั้นเป็นภาวะตันหาเมื่อยินดีรูปเป็นอย่างนี้ว่ารูปขาดศูนย์คือหายไปได้แก่ล้าโลกนี้ไปแล้วจักไม่มีด้วยความเป็นราคะเกิดร่วมกันกันกบอุเช ท, ทิฐิชื่อว่าวิภวะตันหามีไหมบางคนบอกว่าตายแล้วเราก็หมดทุกข์แล้วบอกว่าโอ๊ยเนี่ยที่พวกเราทุกข์ทุกขไปเนี่ยเดี๋ยวก็หมดทุกข์เดี๋ยวตายแล้วก็หมดทุกข์แล้ว คือเขาไปเข้าใจว่าตายแล้วจะไม่ต้องเกิดอีกแล้วเขาจะได้หมดทุกข์เขาจะต้องไม่มาเป็นโรคเรื้องเขาจะได้ไม่ต้องมาเป็นโรคฝีดาษแล้วจะต้องไม่เป็นโรคเอสดโรคฮะโรคอะไรสารพัดเนี่ยนะคือเขาจะได้พ้นทุกข์ก็พยายามดูแลเขามีจิตใจสบายหาเพลงไปให้เขาฟังเลยนะหาเสียงอะไรต่างๆไปกล่อมเกลาเขาอะไรเขาสารพัดนะตรวดูแลอะไรต่างๆบ้านปลายชีวิตตัวงั้นนะ ดูแลเขาเป็นอย่างดีเดี๋ยวเขาตายไปแล้วเขาก็หมดทุกข์พ้นทุกข์แล้วคือไปเข้าใจว่าตายแล้วก็ไม่เกิดประเภทที่มีความคิดเห็นว่าตายครั้งเดียวเกิดครั้งเดียวเนี่ยนะที่ไปเห็นในลักษณะอย่างนี้แล้วก็ยินดีว่าเมื่อไหร่เนาะตัวเองจะหมดทุกข์สักทีเนะี่ย บางทีไปหาใครสักคนเมื่อไรจะตายก็ไม่รู้จะได้หมดคลอองเ้ยวิภาวะตันหาจําตัวได้ยินบ่อยไหมครับดูสภาพของตันหาเนี่ยนะฉะนั้นถ้าหากว่าความเห็นประเภทกา ร, รมาตันหาภาวะตันหาวิภวะตันหานั้นมีความต่างกันถ้ายินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโดยสภาพธรรมดานั้นเป็นสภาพของตันหาถ้ายินดีพอใจด้วยและในขณะเดียวกันก็มีความเห็นความเข้าใจว่าตนเองนั้น จะได้รับหรือราคาที่เกิดร่วมกับความเห็นว่าเที่ยงและยั่งยืนด้วยเนี่ยอย่างนั้นเป็นภวะตันหาถ้าเห็นว่ายินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรส ด, ด้วยแล้วก็มีความเห็นว่าขาดศูนย์เกิดร่วมด้วยอันนั้นเป็นอุเฉเป็นวิภวะตันหานะคือร่วมกับอุเฉททิติทีนี้และสัตธตันหาก็เหมือนกับรูปตันหาฉะนั้นจึงรวมเป็นตันหาวิปริตสิบแปดประการทําไมจึงเรียกว่าตันหาวิปริต 18ประการคือในขณะที่ในรูปรูปเดียวเนี่ยนะสีสีเดียวเนี่ยก็สามารถที่จะไปยินดีพอใจแบบธรรมดาได้ชื่นชมยินดีอยากได้แค่นี้ได้และในขณะเดียวกันก็มีความเห็นว่าเที่ยงเกิดร่วมด้วยในขณะนั้นและมีความเห็นว่าขาดศูนย์เนี่ยถ้าอย่างนั้นเ็าเรียกว่ารูปปัญหาอย่างเดียวนยก็ได้สตัญหาได้กรมตัญหาภวตัหาวิภาวตัหาได้3ามใช่ ถ้าอารมณ์6จะเป็นยังไงถ้าเอาอารมณ์หเข้าไปคูณสามสามคูณหก็กลายเป็น18ดใช่ไหมในรูปอย่างเดียวเนี่ยยินดีตัณหาเกิดได้สาประเภทประเภทกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภวะตัณหาเสียงก็มีกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหากลิน่นรสสัมผัสแล้วก็ธรรมารมณ์ฉะนั้นจึงได้ตัณหาวิปริตแท้จริงตัณหานี่ยเวิปริตอยู่แล้วใช่ไหมวิปริตได้18ประการ ทีนี้แจกออกเป็น18ในอยนายตนะทั้งหลายมีรูปภายในเป็นต้นและแจกเป็น18ในอยนายตนะทั้งหลายมีรูปภายนอกเป็นต้นจึงเป็น36มสิบเออลองอย่างนี้เตยยินดีพอใจในตนเองโดยพิศดารได้18ยินดีพอใจในสิ่งภายนอกอีกเป็น18แเลยกลายเป็น36นี่เขาเรียกว่าตัณหาวิปริตสาิบหกใน36นั้นเป็นอดีตสักสเป็นปัจจุบันเนี่ย และเป็นอนาคตอีก36จึงเป็นตัณหาวิปริตทั้ง108เ่าบอกตัณหา108เดื่อง น, นี้มากมายจริงๆนะอารมณ์ปัจจัยที่จะทำให้เกิดตัณหาเนี่ยเกิดความยินดีนี่ทุกๆอารมณ์มากมายมากหรืออีกประการหนึ่งก็ว่ากตัณหาวิปริต18ประการอาศัยรูปที่เป็นภายในเป็นต้นมียที่อย่างนี้ว่าเพราะอาศัยรูปภายในตัณหาเรามีเพราะรูป นี้และก็ว่าเมื่อเรามีเราก็เป็นเราเป็นที่ปรารถนาฉะนั้นจึงรวมเป็นตัณหาสามสิบหกแบ่งเป็นอดีตสามสิบหกอนาคตปัจจุบันเออสามสิบหกแล้วก็ปัจจุบันสามสิบกโดยประการนีรูปในสภาพของการที่ไปยึดมัน่นที่เป็นตัณหาวิปริตอาศัยรูปที่เป็นภายในเป็นต้นมีอธิว่าเพราะรูปภายในเนี่ยนะรูปเป็นภายในตัณหาว่าเรามี คำว่าการที่จะมีเราได้ก็เพราะมีรูปนี้การที่จะมีเราได้ก็เพราะมีผมนี้มีคนนี้มีเล็บนี้โดยสรุปก็คือมีอารมณ์ทั้ง6นั่นแหละมีรูปปตัตนหาสัทธาตัณหาคันธะตัณหาราษฎตัณหาโพธพาตัณห า, า, า, ห า, ภภ า, หาแล้วก็ธรรมะตัณหานี่แหละการยินดีพอใจในสิ่งต่างๆทั้ง6อย่างหรือในรูปรูปนี้แหละในภายในในขันขันนี้นี่แหละใช่ไหมบางทีไอ้ความคิดของตนเองยึดด้วยใช่ไหม แต่ไม่ได้มองไปในแง่ของอาญัตนะของการการเชื่อมต่อใดๆเมื่อเรามีเราก็เป็นเราก็เป็นที่ปรารถนาฉะนั้นจึงรวมเป็นทั้งภายในและภายนอกมีตัญหาว่าเรามีเพราะรูปนี้แหละว่าเมื่อเรามีเราก็เป็นที่ปรารถนาฉะนั้นจึงรวมเป็นตันหา36แบ่งเป็นอดีตอนาคตแล้วก็ปัจจุบันโดยการอย่างนี้ รวมเป็นตันหาวิปริตร้อยแปดดังที่ได้พารานามานี้คืออย่างนี้นะเมื่อเรายึดตนเราเองเนี่ยใช่ตันหาที่ในขณะที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยไอความยินดีพอใจของเราเนี่ยมีแล้วสิบแปดบุคคลอื่น มามองตัวเราก็มายึดตัวเราจึงได้เป็น18บแปดคือในขณะที่ตนเองเนี่ยไปยึดตนเองน่ยได้ตัณหารูปริษฐ์สิแล้วนั้นนะยึดมั่นในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในธรรมารมในตัวของเราเองเนี่ยเป็น18แล้วเพราะได้กามตัาหาภพะวตัณหาแล้วก็วิภาวะตัณหาบางครั้งก็ยินดีพอใจเป็นการมตัาหาบางทีก็ไปเข้าใจตนเองนี่โอ้โหเที่ยงอยู่ไหม เเราจะอยู่อีกนานเราจะไม่เป็นไรอะไรต่างๆเราเนี้ยบางทีโอ้เดี๋ยวเราก็จะต้องขาดศูนย์แล้วเนี่ยแต่อารมณ์ภายในของตอนเองเนี่ยยังไปเป็นที่ตั้งให้กับเป็นที่ปรารถนาเราก็เป็นที่ปรารถนาใช่ไหมคือไปไปมีความรู้สึกว่าบอกว่าเรานี้ก็เลยเป็นที่ปรารถนาของบุคคลอื่นบุคคลอื่นที่รักเราที่ชอบเราที่พอเราก็กลับมายึดในตัวเราเนี่ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้คนอื่นนั่นเอง มายึดในตัวเราก็ยึดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสและในวิธีคิดของเราหรือในในธรรมารมณ์ของเราคืออากับกริยาการยืนการเดินการนั่งการนอนของเราเนี่ยเขาก็มายึดของเราเนี่ยเป็น18บฉะนั้นใน18ปัจจุบันที่กําลังเกิดขึ้นมาใช่ไหมในอดีตก็เหมือนกันเราก็เคยยึดตัวเอง18คนอื่นก็ยึดเรา18แม้ในอนาคตถ้าเราจะไปเกิดใหม่อีกเราก็จะต้องไปยึดตัวเองแบบ แยกเรียนตันหาวิปริตในสิบแปดแล้วก็ยังเป็นเราก็ไปมีความรู้สึกว่าโอ้คนอื่นก็จะต้องมายึดเราคนอื่นก็จะต้องปราถนาเราอีกเป็นสิบแปดเหมือนกับเราที่ยึดมั่นตนเองสิบแปดเป็นตันหาวิปริตสิบแปดนี่แล้วว่าไงนะเลยรวมเป็นตันหาวิปริตร้อยแปดมันวิจิตจริงๆนะตันหาเนี่ยปราถนาได้เนาะโอยแล้วภูมิใจนะให้สังเกต ด, ดูไหมว่า คนเก่งคนเก่งทั้งหลายภูมิใจไม้มว่าคนชื่นชมเราเยอะบางคนมีรูปงามก็ชื่นชมว่าเขาต้องชอบเราแน่เพราะเรารูปงามบางคนมีเสียงใช่ไหมบางทีไม่ใช่แค่รูปอย่างเดียวเราเนี่ยมีดีหลายอย่างรูปเราก็รูปเราก็สวยงามเสียงเราก็เพราะกลิ่นแล้วก็หอมทําอาหารก็อร่อยสัมผัสอะไรต่างๆเสื้อผ้าอะไรต่างๆเราสักดีที่นอนเราปูดีอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้น โดยเฉพาะความความสามารถของเราสูงมากใครก็ชื่นชมยินดีวิธีคิดก็แจ๋วอใครอยู่กับเรามีความสุขมากปรารถนาลักษณะทช่นนี้ตัวเองเส้ 8, นแปดแปดตัวเองเส้อ 8, อนอะไรตัวเองสิบหกคนอื่นเส้อสิบกเออสิบแปดดวงสิบแปดเป็นสมสิบหกี่ลักษณะเช่นนั้นจึงเป็นตันหาทั้งปัจจุบันอดีตอนาคต บางคนบอกอย่างเราเนี่ยถึงจะแก่เท่าไปอยู่ที่ไหนก็มีคนชื่นชมเราเพราะเราก็ชื่นชมตัวเองย่แม้ในอดีตที่ผ่านมาเราก็คงไม่ธรรมดาด็เป็นอย่างนี้นี่แล้วเป็นทั้งมีความเห็นเป็นตันหาบ้างเป็นเพราะว่าตันหาบ้างเป็นวิภวะตันหาถามว่าจริงๆเคยเกิดไหมอย่างพวกเราเกิดเลยลักษณะเช่นนี้นตันหาในวิปริตมาก เมื่อทําการส่งค้อเข้ากันอีกตัณหาก็มีหกหมวดเท่านั้นส่งค้อเข้าไปก็มีหกหมวดเี่รูปปัตนนาสัธตัหากันธาตหาและสัตตนาผลตภะแล้วก็ธรรมตัตหาในอารมณ์ทั้งหลายมีรูปเป็นต้นด้วยอัตทีท่านแสดงไว้อย่างนี้ว่าตัณหามีสามอย่างเท่านั้นการมาตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานักปราชญ์ผู้ทราบว่าตัณหาโดยการส่งค้อข้อความที่พิสดารเข้าด้วยกันอีก จากข้อความพิสดานไว้แล้วดังนี้นะเนี่ยกเวทนาเป็นวิบากพระเทเรประสงค์เอาความว่าเวทนาในคําว่าเวทนาสมุทยาถามว่าเวทนาเป็นวิบากไหมใช่เป็นวิบากแต่ทําไมจึงบอกว่าเป็นเหตุเล่าแต่เวทนานั้นเป็นเหตุของตัณหาแต่เป็นวิบากของอะไรเวทนาเป็นผลนั่นเอง แต่ที่จริงเนี่ยถ้าพูดถึงอย่างนี้ถ้าพูดในกลุ่มของที่เขศึกษากันเนี่ยเาบอกเบอกวในกลุ่มของอวิชชาและตันหาเนี่ยเป็นเหตุในอดีตอวิชชาและสังขารนี่ยขอโทษที่อวิชชาและสังขารเนี่ยเป็นเหตุในอดีตวิญญาณนามรูปภาษาเวทนานี่เป็นผลนะถือว่าเป็นวิบากเพราะเมื่อมีตันหามีอวิชชาและสังขารในอดีต จึงทําให้ได้ได้อะไรวิญญาณนามรูปสราญชนะผัสสะแล้วก็เวทนาฉะนั้นในที่เนี้ยท่านจึงกล่าวเวทนานะั้นเป็นวิบากของอวิชชาเป็นพลของอวิชชาเป็นพลของสังขารใช่ไหมแต่ในทีน่นี้ที่กล่าวอย่างนั้นก็กล่าวตามในยะของปฏิจจา ว, ว่าเวทนาปัจญาตันหาสมุทยเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาถ้าจะมีถามว่าเวทนานั้นเป็นปัจจัยแก่ตัณหาในถวานทัหอย่างไร ก็ต้องตอบตอบบอกว่าเป็นปัจจัยพระเวทนาเป็นสิ่งที่น่ายินดีไอ้น่ายินดีในที่นั้นสุขเวทนาสมณเวทนาเป็นที่ยินดีของสัตว์ทั้งหลายไหมสัตว์ทั้งหลายปรารถนามากบางคนปรารถนาจะถูกลงวันที่หนึ่งที่จริงปรารถนาเลยเมื่อสัตว์ทั้งหลายยึดมั่นเวทนาว่าเป็นของเราอยู่ด้วยความชอบใจสุขเวทนาเขาจะมีความทยานอยากในเวทนาที่เกิดขึ้นแล้วยินดีแล้วด้วยความกำหนัดยินดี เวทนาความปรารถนารูปที่เห็นแล้วอยู่นั่นแหละพอครั้งเห็นรูปแล้วก็ชอบใจทสาสักการะแก่ช่างเขียนเป็นต้น ผู้ให้อารมณ์ต้องมาวาดรูปตนเองแล้วบอกว่าให้งามกว่าตัวจริงโอ้ยตัณหาจับจอย่างนั้นก็แม่นี่เหมือนเลยว่ากัน น, นั่นนี่รูปนี้ที่เหมือนแตถ้ากวาดวาดดูรูปไม่ดีแล้วก็ทั้งๆดีเหมือนก็บอกไม่เหมือนอไอที่มันเว้าจนไม่รู้จะเว้า บ, บุบลงไปไม่รู้จะบุบยังไงแล้วเราทาให้มันโนนโน่ น, นขึ้นหน่อยให้ดูงามหรือตาลึกลงไปแตาไม่รู้จะลึกขนาดไหนก็ดึงตาขึ้นมาอีกนิดนึงโอยดูดี โอ้ยงามจังในโสตาตทวานเป็นต้นก็เหมือนกันนะลักษณะของเสียงก็เหมือนกันบางคนร้องก็ไม่ได้ดีเท่าไร่เราได้ขึ้นไปร้องแล้วคนก็อุย้ยดีเนะี่ยพอพูดแค่ตรงนั้นนะกลับไปแล้วเมือปลื้มจะไม่รู้จะปลื้มยังไงทําตัณหาเข้าสู่วิถีจะไม่รู้เท่าไหร่กรรมก็เกิดอยู่นี่ยตัณหาก็เกิดอยู่เห็นไปุะชชนเหมือนคนบ้าไหม กำหนดเลยทานงัวกำหนดเลยเดีเสียงไม่เพราะเดี๋ยวไม่เป็นที่ชอบใจยโยนโพธิภัณหาธรรมตัตหาเอาไว้ดูไว้ชื่นชมถนัดตายไปแล้วบางคนน่ยขอเอาชิ้นี้ไว้ดูแต่งต่างหน้าอะไรนะบางทีเก็บเสื้อผ้าไว้ดูเก็บอะไรต่างๆไว้ดูเนี่ยเป็นที่ระลึกเป็นเ น, นี่ยโลกถึงเจริญยังไงนะวัฏจักถึงได้ยาวนานเลยเกินเพราะว่าโอ้ยชื่นชมมากาก็ขอโมทนากับพวกเราคนนะวันนี้ก็ต่อจากครั้งที่แล้วแต่ก่อนที่จะ ต่อจากครั้งที่แล้วเนี่ยในปราลบในเรื่องคําว่าสภาพของตันหาที่จะกล่าวในเรื่องของตันหาวาระนี่คือการสนทนากันระหว่างพระเถระโดยเฉพาะท่านภาษาริบุตรแล้วก็ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายที่เดินทางรอนแรมมาจากที่ไกลการเดินทางรอนแรมมาจากที่ไกลนั้นเพื่ออะไรเขาบอก เพื่อในการที่จะสนทนาหรือสอบถามปัจจัยที่จะทำให้ความเห็นที่ถูกต้องเกิดขึ้นหรือที่เรียกตามศัพท์ที่เขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องความเห็นตรงทีนี้ความเห็นถูกต้องและความเห็นตรงแล้วก็ประกอบด้วยความเลื่อมใสไม่ครรครแอนเข้ามาสู่พระสัจธรรมนี่ การจะทำความเห็นประเภทอย่างนี้ให้ขึ้นให้สูงขึ้นไปตามลำดับได้นะั้นะนะกรมบุคคลเหล่านั้นก็จะต้องมีความเข้าใจให้ถูกต้องก่อนว่ากรรมสักตาสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องในเรื่องกรรมและผลของกรรมนั้นเป็นอย่างไรวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องในเรื่องของการเจริญวิปัสสนาทำปัญญาให้เกิดขึ้นในการพิจารณาเห็นความเกิดดับนั้นเป็นอย่างไร ฌานและสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องในเรื่องของการเจริญฌานสมาบัตินั้นเป็นอย่างไรความเห็นถูกต้องในการที่จะสามารถขจัดกิเลสที่เป็นเส้นหนามของจิตใจที่เป็นมรรคาสัมมาทิฏฐินั้นเป็นอย่างไรและก็ความเห็นที่ถูกต้องที่เป็นผลและสัมมาทิฏฐิคือได้รับผลจากการประหารกิเลสละกิเลสได้แล้วนั้นเป็นอย่างไรคือวัตถุประสงค์ก็ต้องการจะมาถามลำดับของ สัมมาทิฏฐิที่บริบูรณ์ยิ่งๆขึ้นไปนั้นว่าเป็นอย่างไรก็มีการสอบถามในลักษณะอย่างนั้นปัญหาประการต่อมาคือว่าทำไมจึงต้องปรารถนาสัมมาทิฏฐิา okay, นถามว่าเราจะอยู่อย่างความคิดแบบที่เราคิดแบบปกติธรรมดาที่เราเคยรอบรู้มาอย่างนี้จะได้หรือไม่เนี่ยท่านก็บอกว่าความเห็นที่สมบูรณ์ที่สุด ก็จะเป็นปัจจัยแก่การปฏิบัติที่ถูกที่สุดเพราะการกระทำทางกายทางวาจาและการคิดนึกทางใจเนี่ยมันมาจากความเห็นที่ถูกต้องหรือความเห็นที่ไม่ถูกต้องเนี่ยไอ้คำว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนั้นเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดเอากรรมและผลของกรรมเป็นเครื่องวัดเอาสภาพของขัน และความเป็นไปของขันนั้เป็นเครื่องวัดเอาความอยู่ของของโลกและเหตุเกิดของโลกนะั้เป็นเครื่องวัดเพราะจริงๆถ้าความเห็นถูกต้องจริงๆจะต้องไปชัดเจนในเรื่องว่าเรื่องโลกเหตุเกิดของโลกความดับโลกและข้อปฏิบัติที่จะให้เข้าถึงความดับของโลกเนะี่ยใช่ไหมฮะเรืองมาเห็นสภาพของว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวก็วิญญาณกายกระใจนี่ยก็จะต้องรู้ว่ากายกระใจนี่คืออะไร เหตุที่จะทำไม่ได้กายกระจยนั้นเป็นอย่างไรและการดับเหตุที่จะทำไม่ได้กายและดับกายนี้จะทำอย่างไงและข้อปฏิบัติที่จะให้เข้าถึงตรงนั้น้เป็นอย่างไรเขาก็สนทนากันในลักษณะเช่นนั้นถามว่าทำไมต้องต้องสนทนาเพื่อจะปรับวิธีคิดตรงนั้นท่านก็บอกว่าท่านยกความเห็นบอกว่าจําได้ใช่ไหมตอนอุเทสวาละในสถิตฐานสูตรตอนเรียนเรื่องสันติมหามา สันตติมหามาต์เนี่ยเป็นมหามาต์ผู้ใหญ่ของพระราชาของพระเจ้าเปอร์เซนทิโกส น, นอตอนไปรบพอไปรบแล้วมีชัยชนะกลับมาเมื่อมีชัยชนะกลับมาแล้วสันตติมหามาต์เป็นยังไงก็ถูกยกให้เป็นพระราชามหากระสัดเจ็ดวันอเงี้ยถามว่าเมื่อได้เจ็ดวันเนี่ยทํำยังไงโหเมาตลอดดื่มน้ำจันเมาตลอดอทีนี้ในขณะที่เพลิดเพลินกับ สุรานารีอยู่อย่างนั้ น, นก็มีวันที่เจ็ดก็ไปขีบ่บนนั่งบนคอช้างไปอาบน้ำพอนั่งบนคอช้างก็ไปอาบน้าไปสงสนารนร่างกา ย, ยขากลับก็นั่งคอช้างกลับมือในระหว่างทางก็พบพระ พ, พุทธเจ้าพระพุทธ พอพบพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าก็ทําความคารวะพระพุทธเจ้าบนกอช้างแปลว่าเมาด้วยแล้วก็เป็นใหญ่โดยตอนนั้นทีนี้พระพุทธเจ้าก็แย้มแย้มพระสวนคือการยิ้มการแย้มยิ้มของพระพุทธเจ้านี่จะยิ้มลักษณะว่ามีมีลัศมีรัศมีในการที่จะออกมาจากการแย้มแต่ละครั้งเนี่ยในการแย้มโดยโดยการมีเหตุนะถึงจะออกเป็นรัศมีมวลคนอยู่ข้างหลังก็รู้นะว่าพระพุทธเจ้าแย้มหรือไม่แย้ม ก็สามารถที่จะรู้ได้พอเป็นในลักษณะเช่นนั้นแล้วตอนี้ก็พระนรนก็ทูลถามบอกว่ายิ่งพ่อเหตุอะไรก็เลยบอกวันเนี้สันตติมหาหมาดจะมาเฝ้าเราและในการมาเฝ้าเราจะถามก้นนั้ น, นสันตติมหาหมาดนั้นจะสันตติมหาหมาดนั้นจะได้บรรลุธรรมและขณะที่บรรลุธรรมนั้นจะทําการกิริยาในวันนี้คือจะตายในวันนี้ พ อ, พอพูดในลักษณะอย่างนั้นก็มีอยู่สองกลุ่มกลุ่มที่เชื่อและอยากจะดูไอ้ ก, กลุ่มหนึ่งนั้นไม่เชื่อเมื่อเป็นไปในลักษณะเช่นนั้นแล้วเนี่ยในที่สุดจริงๆก็คือว่ามาจริงๆว่าพอในขณะที่กลับไปที่ราชวังนั้นก็นางสนมนั้นก็เกิดที่มาเต้นลาให้ดเูเต้นไปเต้นมาอาหารในกระเพาะน้อยเมื่ออาหารในกระเพาะนั้นน้อยแล้วใ น, ในที่สุดจริงๆก็คือลมลมนั้นก็มาเสียด ที่หัวใจทำลายที่หัวใจและที่สุดจริงๆก็ผีตายพอตายแล้วเนี่ยความโศกก็ท่วมทับท่วมทับใครท่วมทับสันติมาหามานท่านอุปมาเหมือนเลยเหมือนน้ํานี่ยน้ำเวลาตั้งอยู่บนกระทะนี่ไฟลุกติดในขณะที่เดือดเดือดเดือดจนที่สุดในที่สุดจริ ง, งๆแห้มันเหมือนอย่างนั้นเลยที่แรกก็มีน้ําเหล้า น, น้ําจันนี่นะทําให้ตนเองนั้นเน่ยมึนเมาเนี่ย นี่ไอเมาเนี่ยหายสางเมาเลยประเภททุกข์จนสางเมาในที่สุดจริงๆก็คือว่าใครน้อที่จะดับทุกข์เข้าไเย้าได้ดํางหลีไปก็คือว่านึกถึงพระพุทธเจ้าก็ไปเฝ้าพธธระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยพูดในเรื่องของวัตตะให้ดูว่าวัฏฏะเป็นอย่างนี้นะวัตฏะเป็นยังไงบอกว่าความทุกข์เนี่ยถามว่าความคิดในอดีตเนี่ยเราก็จะต้องอยู่กับความคิดเราก็จะต้องอยู่กับสุขเวทนาบ้างทุกขเวทนาบ้างอยู่กับอุเวขาเวทนาบ้าง อยู่กับสัสัญญาความจําบ้างอยู่กับความคิดปรุงแต่งอะไรต่างๆบ้างแล้วก็อยู่กับรู ป, ปรขันท์ทั้งหลายอาจจะอยู่ในสภาพใดก็แล้วแต่แต่ในอดีตก็เป็นมาอย่างนี้ภาระในอดีตก็เป็นมาอย่างนี้ถามว่ารอบรู้ไหมว่าความคิดทุกความคิดในอดีตที่เป็นมาการกระทําในอดีตที่เป็นมาก็เคยเป็นมาอย่างนี้และในอนาคตถ้าเรายังละกิเลสไม่ได้มันก็จะต้องไปมีความคิด แล้วก็จะต้องไปมีสภาพของขันที่แตกต่างไปตามสภาพของกรรมที่จะทำแม้ในปัจจุบันก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันคือให้มองทั้งสามการว่าในการอาดีตในการปัจจุบันและก็ในการอนาคตถามว่าในอดีตดับไปแล้วหรือยังในอดีตบอกในอดีตก็ดับไปแล้ว ไม่ว่าจะมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายในอดีตในที่สุดจริงๆในอดีตก็จบหมดไปแล้วทีนี้การมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายในปัจจุบันก็กําลังเกิดกำลังดับอยู่ในขณะนี้เดี๋ยในที่สุดจริงๆก็จะดับลงในภพนี้แหละและการที่จะไปมีตาหูจมูกลิ้นกายใจในภพต่อไปก็จะต้องไปแตกไปดับในภพต่อไปเนี่ยเห็นไหมเวลามองในลักษณะนี้เขาเรียกว่ามองเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาในสามการ ทั้งอดีตก็เป็นเช่นนี้นะทั้งปัจจุบันก็เป็นเช่นนี้นะและในอนาคตก็ต้องเป็นเช่นนั้นนะเนี่ยพอพูดตามลำดับในที่สุดจริงๆจนะสามารถที่จะละชันตาคะคือความยินดีพอใจได้ในที่สุดจริงๆได้บรรลุปเป็นพาาระอรหันต์กันบางพอได้บรรลุปเป็นพระอรหันต์แล้วก็คือหมดชีวิตในวันนั้นดี <c oughs> คือตายนิพพานนนเอตรงนี้ที่เชื่อเห็นว่าเห็นไหมว่าในหลักการในทาง คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือต้องการให้มองเห็นว่าความจริงสูงสุดจริงๆเนี่ยว่าอุวาตามีร้อนเป็นไฟหรือน่ากลัวมาแต่ว่าใครน้จะมองได้ขนาดนั้นใช่ไหมเหมือนในวาระนี้ที่บอกว่าภิกษุเหล่านั้นก็กาปเปียนถามเนี่ยถามใครถามท่านภาษารีบุตรวันยังมีเหตุปริยาอย่างอื่นอีกบ้างไหม ย, ยังมีเหตุอื่นไหม ย, ยังมีอยู่ไหมที่จะเป็นปัจจัยทาให มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสใน่คร้อนแคนมาสู่พระสัตธรรมเนี่ยยังมีความยังมีวิธีคิด ย, ยังมีหลักการอย่างอื่นไหมที่จะเป็นปัจจัยทําให้สัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องเนี่ยเกิดขึ้นมาได้เนี่ยยังมีอยู่อีกหรือไม่เดินดีๆถามว่ายังมีความเห็นที่อย่างอื่นอีกไหมที่จะเป็นปัจจัยแก่การที่จะทําความเห็นให้ถูกต้องตามความเป็นจริงได้อ่ะนะ ท่านภาษาราบุดก็บอกว่าด้วยเหตุที่อริยาสาวกรู้ชัดตัณหาเหตุเกิดตัณหาความดับดับตัณหาข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับแห่งตัณหาเท่านี้แหละคุณอริยาสาวกชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสไม่ครรครันได้มาสู่พระสัจธรรมนี้แล้วก็ถามว่า ตัณหาคืออะไรล่ะคุณเหตุให้เกิดตัณหาความดับตัณหาข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับตัณหาคืออะไรก็ตอบบอกว่าคุณตัณหามีหกคือหมู่อย่างก็คือว่ารูปปัตนหาความทยานอยากในรูปสัทธาตัณหาความทยานอยากในเสียงคันธะตัณหาความทยานอยากในกลิ่นรสธาตัณหาความทยามอยากในรสโพธพตัณหาความทยานอยากในโพธพาธรรมตัณหาความ ทะยานอยากในธรรมพระเวทนาเกิดตัณหาจึงเกิดพระเวทนาดับตัณหาจึงดับเลียมัตมีองคแปดเท่านั้นเป็นข้อปฏิบัติที่ให้เข้าถึงความดับแห่งตัณหาคือสัมมาทิฏฐิเป็นต้นจนถึงสัมมาส ม, มาธิเป็นที่สุดนี้ในการใดและอริยาสาวกรู้ชัดตัณหาเหตุเกิดตัณหาความดับตัณหาข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับตัณหาอย่างนี้เมื่อนั้น อย่อมจะละราคานุ i s a n แล้วก็ถอนอะไร บ, บันเทาปฏิคานุ i s a n c e ละทิฏฐิมานะแล้วก็ละอาวิชาได้โดยประกาและทั้งปวงทำวิชาเพื่อ ร, รหลักธรรมให้เกิดขึ้นอริยาสาวกรู้ชัดอย่างนี้แล้วนี่แหละถึงจะเรียกว่าเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีเหุความเห็นตรงประกอบด้วยความเรื่อมใสไม่คลอนแคลนได้มาสู่พระสัธรรมดังที่ได้กล่าวประการต่อไปก็คือมาดูใน ห้าร้อยเ้าสิบห้าต่อที่ได้พูดเข้าไว้ที่บอกว่าสภาพของตันหานั้นไม่ว่าจะเป็นความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ธรรมารมณ์เนี่ยนะสภาพของความยินดีพอใจถ้ว่าโดยตันหาวิปริตแล้วก็มีมากดังที่ได้กล่าวนั่นแหละดังที่ได้กล่าวที่บอกว่ารูปประตันหานั้นความยินดีพอใจในรูปนั้นเป็นกามตันหาก็ได้ เป็นภาวะตัณหาก็ได้เป็นวิภวะตัณหาก็ได้ใช่ไหมใน3อย่างนี้ถามว่าเมื่อความยินดีพอใจในรูปมี3มความยินดีพอใจในเสียงก็มี3ความยินดีพอใจในกลิ่นก็3ในรสในสัมผัสและในธรรมาลมก็เลยมีอย่างละ3ามเลยสากเท่าไหร่เป็น18เลยไในอดีตก็มีใช่ไหมความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสในอดีตก็18ความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสในปัจจุบันก็18 ความยินดีพอใจรูปเสียงกลิ่นรสในานาคตก็สิบแปดจึงรวมเป็นสามสิบหกงนึ่งเทนี้ถ้าอีกอย่างหนึ่งแหละเป็นตัณหาวิปปิลสิบแปดประการโดยอาศัยรูปที่เป็นภายในเป็นต้นมีอาทิอย่างนี้ว่าพ่อสัยรูปเป็นภายในมีตัณหาว่าเรามีเพ่อรูปนี้ถามว่าเรามีเพราะรูปนี้เรามีพ่อเสียงนี้เรามีเพราะกลิ่นนี้เรามีเพราะรสนี้เรามีเพ่อสัมผัสนี้เรามีเพราะ ทำมารมนี้ความคิดเช่นนี้จึงมีเราอยู่ใช่ไหมความคิดเช่นนี้เป็นหกไหมเป็นหกและในหกนี้มีสามอย่างเป็นกามตัณหาก็มีความเห็นว่าเที่ยงเป็นภาวะตัณหาก็มีความเห็นว่าขาดศูนย์เป็นวิภาวะตัณหาก็มีจึงเป็นเท่าไหรนะ่เป็นสิบแปดไหม สิแปในการปารลเราเนี่จยนซุลีสิบแปด้วยป่ะสิบปดนะปารลบตนเองนี่สิบแปดแล้วในขณะที่ปารลบตนเองนี่สิบแปดแล้วคนอื่นมาปารลตนเองแล้วจะเป็นยังไงเป็นสามสิบหกนี่ยในสามสิบหกนี้เป็นปัจจุบั น, นมีไหมเป็นปัจจุบันสาสิหกเป็นอนาคตสาสิบหกเป็นอดีตสามสิบหกเลกาเป็นเท่าไหร่เป็นปัญหาวิปริตร้อยแปดเอเป็นอย่างนี้อีกเลยยอนซุลีมองออกไหมแบบนี้คือ ยิ่ดีพอใจในรูปของตนเองก็ได้ในเสียงของตนเองก็ได้ในกลิ่นของตนเองก็ได้ในรสของตนเองในสัมผัสของตนเองในวิธีคิดของตนเองอย่างนี้มีปกติอยู่แล้วใช่ไหมยอย่างนี้หกไงบางทีก็ความเห็นว่าเที่ยงบางครั้งก็เป็นความเห็นว่าขาดูนเลยรวมเป็นเท่าไหร่นะสิบแเลยแล้วก็ยังมีอีกในลักษณะว่าอใสยรูปเป็นภายในมีตัศนว่าเรามีพระรูปนี้ว่าเมื่อเรามีแล้วเราก็เป็นที่น่าปรารถนา สแสดงว่าวิธีคิดอย่างเรานี่คนนี่ชอบคิดอย่างเรานี่ก็เยอะใช่ไหมและลักษณะอย่างเราหน้าตาอย่างเราที่คนชอบก็เยอะเคยเคยคิดไหมว่าบางคน พ, คนพิการเนี่ยเขายังไปบอกว่าเขายังยังมีคนชอบเขาเนี่ยคนที่ไปเข้าใจว่าเขาดีก็มีไหมเพราะยังมีคนมาช่วยเหลือเขาเนี่ยเพราะเขาพิการอย่างนี้ทําให้ชีวิตเขาอยู่ได้ใช่ไหมเขาพร้อมที่จะพิการบางคนลงทุนไหมลงทุนเลยนะ เคยเห็นใช้ไหมโยมตุ่นลงทุนทุกแขนตัวเอยงกาแฟคนอื่นเห็นใจเป็นเรื่องจริงนะครัไอ้ถามว่าถ้าเราไม่ชอบใจวิธีอย่างนี้แล้วเราจะทำอย่างนั้นทำไมนะเขาเรียกตันหาวิปปิลท่านึกถึงนึกถึงอดีตนึกถึงอดีตของตนเองแล้วเป็นยังไงเคยมีตันหาวิปปิตกลุ่มนี้ไหมกาแฟที่ทําแล้คนอื่นเห็นใจอ่ะไม่ก็ ย้ำตัวที่เคยไหมแกงอดข้าวเพคนอื่นก็เห็นใจแล้วคิดว่าการกระทําอย่างนี้คนอื่นก็จะชอบบางคนมีเนี่ยบางคนมีในในกลุ่มที่บอกว่าอยากกันนั้นเลยเราก็แก้งถ้าปราถนาจะให้เขามาดูแลแต่ดีๆก็แก้งไม่พูดเห็น ไ, ไหมในขณะที่แก้งไม่พูดไม่อะไรต่างๆทําที่ทําท่าซึมเหนอะเพราะเชื่อเน่นอนวิธีคิดการกระทําของตอนเองอย่างนี้แล้วจะเป็นจะเป็นที่ถูกใจของบุคคลอื่นและที่สุดจริงๆคนอื่นเขาก็จะมา เอาอกเอาใจเรานี่เขาเรียกว่าตัณหาวิปปิลเกิดขึ้นมาแล้ว